สุขกับทุกข์นี่เป็นของคู่กันอันนี้ใครๆก็รู้แต่ครั้งนี้มันคู่กันแบบไหนหลาคนส่วนใหญ่ก็มองว่าสุขกับทุกข์นี่มันเป็นสิ่งตรงข้ามกันคือความทุกข์นี่เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางขัดขวางการเข้าถึงความสุข จะเข้าถึงสุขได้ก็ต้องจัดการกับความทุกข์ต่อสู้กับมันกำจัดมันหรือถ้ากำจัดไม่ได้ก็หนีมันให้ไกลที่สุดเช่นต้องเอาชนะความอยากจนต้องเอาชนะความเจ็บป่วย ถึงจะมีความสุขได้แต่ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มองอย่างนั้นทีเดียวจะมองว่าความทุกข์มันเป็นทางผ่านไปสู่ความสุข ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้แต่เป็นสิ่งที่ควรจะผ่านไปให้ได้หรือต้องเจอก่อนถึงจะพบความสุขไม่ใช่หนีมันอันนี้ก็อจจะเป็นสิ่งที่เราได้สังเกตนะจากการดำเนินชีวิตประจำวันก็ได้ อย่างเด็กๆนี่ก็ต้องยอมเจอความยากลำบากก่อนต้องทำการบ้านต้องขยันเรียนถึงจะประสบกับความสุขความเจริญได้ถ้าเด็กๆนี่เอาแต่หนีนะความยากลาบากการบ้านมันยากก็ไม่เอานะลอกอลอกการบ้านกันในการที่จะพบกับความสาเร็จหรือความสุขความเจริญก็เป็นไปได้ยาก หรืออย่างพวกเราเนี่ยต้องยอมมาใช้ชีวิตที่นี่ซึ่งอาจจะเป็นความลำบากในความรู้สึก ข, ของหลายคนทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องการอยู่การพักนะแต่ว่าถ้าผ่านตรงนี้ได้นเนี่ยนะก็ก็จะพบความสุขได้ไม่ยากนะเป็นความสุขทางใจเพราะว่าได้ พบธรรมะลองพิจารณาให้ดีนะว่าความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยมันมันคือทางผ่านไปสู่ความสุขต้องผ่านไปได้ถึงก่อนนะถึงจะพบความสุขที่แท้เป็นความสุขที่ยั่งยืน ถ้าเอาต่หนีมันหรือหลบเลี่ยงมันหรือคิดแต่จะต่อสู้กับมันนั่นจะไม่มีทางพบ ก, กับความสุขที่แท้ได้ความสุขที่แท้นี่เป็นความสุขทางใจนะความสุขที่เกิดขึ้นกับใจซึ่งจุดหมายสูงสุดหรือว่าความสุขที่ประเสริฐที่สุดนะคือความสุขที่ เกิดจากความสงบเย็นหรือเป็นความสงบเย็นที่เรียกว่านิพพานนิพพานนี่เป็นสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขจะเข้าถึงได้นี่ก็ต้องเจอทุกข์เสียก่อนนะถ้าไม่เจอทุกข์เสียก่อนนี่ยากนะหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยเจอแล้วเนี่ย จึงจะรู้จักและเมื่อรู้จักนะก็สามารถจะผ่านไปได้ถึงความสุขเราเห็นนี้อริยสัจข้อแรกเนี่ยก็คือทุกข์นะมาศึกษาพุทธศาสนาอยากจะพบความสุขก็ต้องเจอคำสอนข้อแรกเลยก็คือทุกข์นะทุกข์นี่คือ ความจริงข้อแรกที่ควรรู้หรือต้องรู้นะเพื่อที่จะเข้าถึงความสุขแต่ไม่ใช่รู้ด้วยความคิดนะแต่ว่าต้องต้องเจอด้วยนะต้องเจอทุกเพราะถ้าไม่เจอเนี่ยการที่จะรู้จักมันอย่างทองแท้ก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่เราได้ สาธยายธรรมจักกะปวั ต, วต น, นสูตรเมื่อสักครูน่นีนะทุกนี่เป็นอริยสัจข้อแรกและกิจที่ต้องทำกับอริยสัจข้อนี้นะก็คือการกำหนดรู้นะเราก็เพิ่งได้สาธยายเมืม่อสักครู่นี้ว่าอริยสัจคือทุกคือเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้กำหนดรู้นี่ พูง่าคือรู้จักนะการที่เรารู้จักทุกอย่างแจ่มแจ้งนี่แหละที่จะนำพาไปสู่ความสุขคือการพ้นทุกข์ได้หรือว่าอยู่เหนือจากทุกข์ทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องละนะอย่างที่เราสาธยาเมื่อกี้นี สิ่งที่ต้องละก็คือสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์แต่ความทุกข์เองนี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละไม่ใช่สิ่งที่ต้องกําจัดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้เมื่อรู้แล้วก็จะผ่านไปได้จึงเรียกว่าทุกข์นี้เป็นทางผ่านไม่ใช่เป็นอุปสรรคขัดขวาง มันต่างกันมากนะระหว่างอุปสรรคกับทางผ่านถ้ามองว่าทุกเป็นอุปสรรคเราก็ต้องเราก็จะเกลียดเราก็จะต้องต่อสู้หรือก็พยายามหนีแต่ถ้ามองว่าทุกเป็นทางผ่านนะก็จะไม่หนีแต่พร้อมที่จะเข้าไปเจอเจอเพื่ออะไรเจอ เ, อเพื่อที่ได้รู้จัก เพื่อที่ได้รู้ชัดนะเมื่อรู้ชัดแล้วก็จะก็จะผ่านไปได้หรือมื่อกล่ว่าเป็นประตูก็ได้ประตูนี่มันจะเป็นจะมองว่าเป็นอุปสรรคก็ได้นะมันขวางไม่ให้เข้าไปในห้องหรือจะมองว่าเป็ น, ป น, ปนทางผ่านคือต้องต้องเข้าทางประตูเปิดประตูซะก่อนถึงจะผ่านเข้าไปในห้องได้นั่นแหละคือ อุปมาเหมือนกับทุกนะที่เราต้องต้องต้องเจอเจอแล้วก็รู้จักมีภาสิท์นหนึ่งซึ่งเราอาจจะได้สวดบ่อยๆนะบทที่เรียกว่าติลคณาคาถาธรรมวาชิราวัดเย็นก็จะได้สวดบ่อยๆก็จะมีตอนหนึ่งที่พูดว่า เมื่อไดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นก็จะเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเป็นธรรมหมดจดคือจะเข้าถึงนิพพานได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าโอ้มีปัญญารู้จักทุกข์เห็นว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นความรู้ทุกอย่างหนึ่งที่จาเป็นมาสำการที่จะเข้าถึง ความสุขอย่างยิ่งคือพนิพพา น, นถ้าเราถ้าเรารู้ทุกข์แล้วนะประตูแห่งความทุขมก็จะเปิดนะเพื่อที่จะให้เราผ่านเข้าไปสู่ความสุขได้รู้ทุกข์หรือว่ากำหนดรู้ในทุกข์เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่า ง, างไร ความหมายยางแรกคือว่าพอความทุกข์เกิดขึ้นก็รูนะ้เมื่อมันเกิดขึ้นกับใจก็รู้เมื่อมันเกิดขึ้นกับกายก็รู้มีเวทนามีความปวดมีความเมื่อยก็รู้มีความโกรธมีความเศร้าความเครียดความคับแค้นขุ่นเคืองก็รู้อันนี้คือความหมายว่าหนดรู้ แต่ว่าคนส่วนใหญ่นี่พอมีความปวดความเมื่อยหรือมีวิจนาบีกคั้นนี่มันไม่รู้นะมันเข้าไปเป็นเลยเป็นผู้ปวดเป็นผู้เมื่อยในธรรมด์ใยกันเวลามีความโกรธความขุนเคืองความเศร้าความเสียใจความเครียดก็ไม่รู้นะแต่เข้าไปเป็นเป็นผู้โกรธผู้ขุนเคืองผู้เศร้า ผู้เสียใจผู้เครียดเป็นกับรู้นี่ไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่แม่ไม่รู้ว่าเป็นเลยนะเป็นบางทีโกรธก็ยังไม่รู้ว่าโกรธบางทีเครียดกย็ยังไม่รู้ว่าเครียดนะคนที่เครียดเป็นอาเ จ, จนีนนี่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเครียดนะเวลาโกรธเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโกรธ พอใจมันไปมุ่งหรือส่งจิตออกนอกคือไปมุ่งทาร้ายไปมุ่งจดจ้องอยู่กับคนที่ทำให้ตัวเองไม่พอใจก็คิดจะสรรหาคาพูดไปด่าเขาหรือว่าคิดหาทางเล่นงานเขาเมื่อจิตส่งออกนอกแล้วก็จะไม่รู้ว่าความโกรธนี่กำลังครอบงาจิตกำลังเผาลนจิตนี่คือไม่รู้ไม่รู้ตัวเองโกรธ เราก็เรียกว่าไม่มีสติได้เหมือนกันนั้นอย่างแรกที่ต้องทําคือเมื่อมันเกิดขึ้นก็รู้นะรู้โดยไม่เข้าไปเป็นความปวดความเมื่อเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่เป็นความโกรธความเศร้าความคุ่เพืองความเสียใจความเครียดเกิดขึ้นก็รู้ เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจิตเนี่ยถูกยกออกจิตเนี่ยถูกยกออกจากอาการหรือสภาวะเหล่านั้นแต่ก่อนนี่เป็นทุกข์เหมือนกับว่าอยู่ในกองไฟแต่พอรู้ด้วยสติก็เหมือนกับว่าจิตเนี่ยมันถูกถ่ายทอนหรือดึงออกมาแยกออกมาจากกองไฟ แกองไฟก็ยังมีอยู่แต่ว่าความทุกข์มันน้อยลงแล้วเพราะว่ามีระยะห่างจากมันนะยิ่งอยู่ห่างเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นทุกข์ร้อนเพราะกองไฟนั้นน้อยลงพราะอะเพราะว่าไม่ได้เป็นมันแล้วนะไม่เข้าไปเป็นแล้วแต่ว่าแยกออกมารู้ดูอยู่ไกลนะ การกําหนดรู้เนี่ยมันทำให้เจตเนี่ยถูกแยกออกมาจากผู้เป็นก็เป็นผู้เห็นอันนี้ก็เป็นความหมายความหมายแรกเลยนะของการรู้ทุกข์นะหรือที่ใช้คําว่ากําหนดรู้กําหนดนี่เดี๋ยวนี้เราก็ไปเข้าใจไม่ถูกต้องพอกําหนดแล้วนี่อดไม่ได้ที่จะไปเพ่งไปจ้อง มันก็เข้าไปเป็นได้เหมือนกันเช่นเวลามีเวทนามีความปวดนี่ก็ไปจ้องมันไปเพ่งมันก็เลยถูกมันดูดเข้าไปเลยเหมือนกับดูดเข้าไปในวังวนก็เลยเป็นทุกขก์ยิ่งกว่าเดิมแต่กำหนดรู้นี่หมายถึงว่ารู้ด้วยสตินะมันช่วยทำให้เห็นไม่เข้าไปเป็น รู้ทุกยังมีความหมายต่อไปว่าเออรั้ว่ไอ้ที่ทุกเนี่ยมันเป็นกายทุกแล้วมันเป็นทุกที่เกิดกับใจไม่ใช่เราทุกนะอันนี้ก็คล้ายๆกับความหมายที่พูดเมื่อกี้นี้แต่มันเห็นชัดขึ้นเลยว่าอ๋อไอ้ที่ปวดนี่มันเป็นขาปวดกายเมื่อยนะไม่ใช่เราเมื่อยเราปวดนะไอ้ที่เจ็บนี่มันเจ็บที่แขนนะ เจ็บที่หัวนะไม่ใช่เราเจ็บไอโกรธนี่ไม่ใช่เราโกรธนะแต่ว่ามันเป็นเจ็บที่โกรธเจ็บที่อาลัยจ็บที่เศร้ามันไม่ใช่เราที่ทุกข์แล้วนะแต่มันเป็นกายกับใจหรือมันเป็นรูปกับนามที่ทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ให้ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยถ่ายถอนความทุกข์ไปได้เยอะเลย ร่างกายยังปวดยังเมื่อยอยู่แต่ว่าใจนี้นะเบาเป็นปกตนะิหรือว่าความโกรธความเศร้าอย่างเสียใจยังมีอยู่แต่ว่าใจนี้ก็ยังนะเป็นปกติได้มันเห็นทุกข์ได้ละเอียดขึ้นนะจนรู้ว่ามันไม่ใช่เราทุกขนะ์แต่มันเป็นรูปรำนามกายกับใจที่ทุกข์และเมื่อรู้ไปอีก ละเอียดขึ้นก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเช่นเวทนานี่กับกายเนี่ยเปนคนละส่วนกันที่ว่ากายปวดกายเมื่อยแขนปวดแขนเมื่อยจริงๆแล้วเนี่ยกายก็อันนึงเวทนาก็อันหนึ่งหรือว่าที่จิตมันปวดจิตมันโกรธจิตมันเครียดเนี่ยความโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งความโกรธความเครียด ความเศร้าเสียใจมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นอันเดียวกับจิตนะมันคนละอันกันมันเพียงแค่มาอาศัยจิตหรือมีจิตเป็นที่ตั้งแต่มันคนละอันกันเหมือนกับไฟนะไฟไม่ได้อยู่ในเนื้อไม้นะไฟมันก็อาศัยไม้เป็นที่เกิดแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่ามีไฟอยู่ในเนื้อไม้ไม่ใช่ต่อเมื่อมีอะไรมา มาสัมผัสเสียดสีเกิดความร้อนถึงจะเกิดไฟขึ้นที่ไม้นะแต่ว่าไฟไม่ใช่เป็นธรรมชาติหรือว่าไม่ใช่อยู่ในเนื้อไม้ความโกรธก็เช่นเดียวกันนะมันเผาล้นจิตก็จริงแต่ว่ามันอาศัยจิตเป็นที่เกิดแต่ว่ามันเไม่อยมันไม่ได้เป็นตัวจิตนะมันคนละส่วนกันพอะเห็นแย่แบบนี้นี่มันก็ทําให้หลุดนะ จากความทุกข์ไปได้ถ้เห็นถ้ารู้ทุกข์อย่างนี้นะรู้ชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็จะก็ทําให้หลุดจากทุกข์ได้ในความหมายที่ว่าเออความปวดความเจ็บยังมีอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์หรือว่ามีความโกรธความทุกข์อยู่แต่ว่าใจก็ไม่ทุกข์นะเพราะใจก็เป็นแค่ผู้ดูเฉยๆอันนี้แหละที่มันจะ ทำให้เราผ่านไปไดนะ้แล้วก็เกิดความปกติสุขหรือถ้าเห็นถึงคัน้นโอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์มันไม่มีอะไรที่น่า ย, ยึดถือเลยนะก็เกิดการสลัดเกิดการวางเกิดการปล่อยตรงนั้นแหละจะเป็นที่สุดแห่งทุกขนะ์คือว่ามีแต่ความสุขเกษมสัยในความหมายที่ว่านิพพานอย่างที่ได้ ยกพุทธพาสิทมาเมื่อสักครู่นีนะว่าเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวนเป็นทุกข์เมื่อนั้นจักเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลงนั่นแหละเป็นนางแห่งพระนิพพานคือถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์อย่างแท้จริงปัญญาก็เกิดความหลงก็หายไปที่เคยยึดติดมันก็ปล่อยเมื่อปล่อยก็ไม่มีอะไรจะทําให้ทุกข์ได้ต่อไปเพราะว่าความทุกข์ที่แท้จริงมันมีสาเหตุมาจากความยึดมั่นถือมัน อุปทานหรือตันหาอย่างที่เราสาวแท่เมื่อกี้เนี่ยตันหากูปทานนี่มันก็พี่น้องกันฝาแฝกกั น, กนเพราะมีตันหาจึงเกิดอุปทานถ้าตันหาเกิดขึ้นเพราะความหลงเห็นว่าสิ่งทั้งปวงนั้นยังสามารถให้ความสุขกับเราได้แต่เมื่อรู้ว่าโอ้ทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงรวมทั้งกายและใจก็เป็นทุกรูปและนามก็เป็นทุกก็ปล่อยนั่นแหละก็เกิดสุขนะ อย่างแท้จริงเรียกว่าสุกเหนือสุกอันนี้แหละที่ถึงบอกว่าทุกเนี่องเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านเพื่อทาให้เราได้รู้ชัดว่าทุกเป็นอย่างนี้แหละนะเมื่อเป็นอย่างนี้มก็การปล่อยวางก็เกิดขึ้ น, นก็เรียกว่าฉลุยนะเข้าสู่นะสภาวะที่เป็นสุขซึ่งที่จริงมันก็อยู่กับเราอยู่กับต่อหน้าเราแล้วแต่เราไม่เห็นเพราะว่า ความหลงมันบังตา เ, าเมื่อเข้าใจเช่นนี้เนี่ยก็อย่าไปอย่าไปลังเกียจทุกข์อย่าไปอย่าไปปฏิเสธหรือผลักไสทุกข์นะเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องผ่าน แ, และจะผ่านได้นะก็เพราะรู้นะรู้ชัดว่าทุกข์นี่คืออะไรนะหรือว่ารู้ว่า ไอ้สิ่งที่ทุกข์นั่นคือกายและใจที่มันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์รวมทั้งเห็นไปกระทั่งว่าโอทุกสิ่งเลยเป็นทุกข์นะอันนี้แหละคือคำความหมายว่ากําหนดรู้หรือว่าการรู้ทุกข์เนพะฉะนัอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปปฏิเสธความทุกข์มันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักให้ชัดเราถึงจะผ่านมันไปได้ อันนี้มันก็เหมือนกับคนที่กลัวความมืด น, น่ะนะกลัวความมืดกลัวอยู่คนเดียวแล้วถ้าตาใดที่ยังกลัวและคิดแต่จะหนีความมืดหนีสภาวะที่ต้องอยู่คนเดียวก็จะไม่มีทางผ่านไปได้เลยพระเจ้าบอกว่ากลัวอะไรต้องไปเจอกับสิ่งนั้น กลัวป่าก็ต้องไปอยู่ในป่ากลัวความมืดก็ต้องอยู่กับความมืดนะอยู่กลัวในเอเรียบทใดในเอเรียบทยืนเดินนั่งนอนก็ต้องอยู่ในเอเรียบทนั้นไม่ใช่หนีจะเข้าไ ป, ปเผชิญเมื่อเข้าไ ป, ปเผชิญแล้วมันก็จะหายกลัวแล้วก็จะผ่านไปได้ผ่านไปได้รู้จัก พอเมื่อเข้าไปเจอสิ่งนั้นก็จะรู้ใช่มมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวป่าก็ไม่น่ากลัวความมืดก็ไม่น่ากลัวการอยู่คนเดียวก็ไม่น่ากลัวก็สามารถจะผ่านไปได้แต่คนส่วนใหญ่ใช้วิธีการหนีหนีเมื่อนหนีแล้วก็มันก็หลอกหลอนอยู่ล่ำไปทุกบางอย่างมันหนีได้นะแต่ทุกบางอย่างหนีไม่พ้น มันต้องเจอนะแล้วเราจะเจอแบบไหนเจอเจอแบบคนที่ไม่พร้อมรือหรือเจอแบบคนที่พร้อมเจอแบบคนที่ไม่รู้หรือเจอแบบคนที่รู้เนะ่างเช่นความแก่ความเจ็บป่วยความพัฒพรากสูญเสียและความตายนี่อันนี้คือความจริงสีประการที่ไม่มีใครหนีพ้นะต้องเจอวันอย่างค่ำนะ แต่ถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยนะเจอแบบไม่ใช่ด้วยความอาการที่หลงนะแต่เจออย่างมีสติเจออย่างมีปัญญาไม่เพียงแต่จะผ่านเท่านั้นนะแต่ว่ากลับได้ประโยชน์จากมันด้วยจะว่าไปแล้วนี่การที่คนเราจะเข้าถึงสุกยาแท้จริงก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้แหละเจอแล้วแทนที่จะ ทุกหรือว่าแทนที่จะเสียสูญหมดสภาพไปเพราะมันแต่ว่ากลับได้ประโยชน์จากมันในสายพุทธกาหรือว่าในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องเล่าถึงพระอหันตโ น, นไม่น้อยนาที่ที่บรรลุธรรมได้ก็เพราะเจอความทุกข์อย่างสาหัสกันอย่างนางกีสาขุตมีก็เสียลูกที่ยังน่ารักยังเล็ก นางป ต, ปรตจราก็เสียทั้งสามีเสียทั้งลูกสองคนเสียทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ทรัพย์สมบัติมรดกทั้งหลายของพ่อแม่จนกระทั่งเกือบจะเป็นบ้าแต่ว่ามันกลับกลายเป็นของดีเพราะพระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นว่าโอ้สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เธอก็หลุดเลยนะหลุดจากทุกข์เลยเพราะได้เห็น ด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งจากประสบการณ์ที่ได้พบด้วยตัวเองว่ามันเป็นทุกข์จริงๆนะมันไม่มีอะไรที่ยึดถือได้บางท่านก็เจ็บป่วยนะเจ็บป่วยด้วยโรครายไม่มีใครอยากจะมารักษาพยาบาลอย่างพระติศาไเยละนี่ป่วยด้วยโรคที่สังคมรังเกียจนะมีแผลเน่าผุพองเต็มตัว ต้องนอนจมนะกองปัสสาวะอุจจาระด้วยซ้ำแต่เมื่อพระเจ้าได้เสด็จมาพยาบาลมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาจีวรไปซักไปต้มรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวขึ้นแต่วัตทุะเวสนาก็ยังบีบคั้นอยู่พอพระองค์พูดเป็นคติเตือนใจไม่กี่ประโยคปฏิสากก็บรรุธรรมเลยเป็นพระอรหันต์ พอเห็นอย่างจำแจ้งแล้วโอมเป็นทุกข์เหลือเกินสังขารนี้ฉะนั้นต้องเจอทุกข์นะถึงจะพบธรรมและเข้าถึงสุขอย่างแท้จริงได้ตราบใดที่ยังหนีทุกข์ก็จะเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปต่อเมื่อหันหน้ามาเผชิญกับทุกข์นะหรือว่าเดินเข้าหามันไม่ใช่หนีมัน เดินเข้าหาเผชิญเพื่อที่จะรู้จักมันอย่างแจ่มแจ้งนะก็ทํทำให้เกิดปัญญาทุกทก็จะกลายเป็นทางผ่านให้เราได้เข้าถึงความสุขได้เพราะฉะนั้นใครที่กำลังมีความทุกข์อยู่ในขณะนี้นะก็อย่าไปคร่ำครวญ น, นะอย่าไปคร่ำครวนแต่ว่าให้ใข้ครควนให้ไข้ครควนจนเห็นความจริงแล้วก็จะผ่าน ความทุกข์ไปสู่ความสุขได้มีความเจ็บความปวดมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็อยากคล่ำครวนไม่คล่ำครวนอย่างที่ท่านอาจารย์พูท่าบอกว่าเนี่ยทุกมาเตือนให้เราฉลาดความเจ็บปวดมาเตือนให้เราฉลาดป่วยทุกทีก็ต้องฉลาดทุกทีก็คือมีปัญญาเห็นเลยว่าโอ้เนี่ยมันเป็นมันทุกข์เพราะความยึดถือความยึดติดถือมัน ถ้ายังยึดติดถือมั่นก็ไม่ว่าอะไรก็ตามก็จะหนีความทุกข์ไม่พ้นเพะจะมีแต่ความผิดหวังแต่พอคลายความยึดถือมั่นได้มันก็ผ่านไปสู่ความสุขและจะเห็นอย่างนี้ได้ก็เพราะเจอทุกนะเจอทุกโดยตัวเองเิ่งจะเข้าถึงความสุขได้ก็ต้อง พร้อมที่จะเจอทุกหรือว่าต้อนรับความทุกอ น, นุพ่ออมเขียนท่านพูดหลายครั้งว่าในทุกมีความไม่ทุกอยูนะ่เมื่อเราทุกนี่เราลองมองเราใคร่ควรดีๆก็จะพบทางสู่ความไม่ทุกนะมันมีกุญแจที่ซุกซ่อนอยู่ในความทุกที่เราถ้าเราหาเจอก็จะผ่าน ไปสู่ความสุขได้ประตูเนี่ยมันสามารถจะเป็นตัวทั้งทางขวางเป็นตัวขวางไม่ให้เราเข้าไปในห้องหรือจะเป็นทางผ่านก็ได้กุญแจเนี่ยมันสามารถจะเป็นทั้งตัวล็อกแล้วก็ตัวเปิดก็ได้ในรูกุญแจรูเดียวกันนั่นแหละมันสามารถจะปิดไม่ให้เราเข้าไปในห้อง หรือสามารถจะไขให้เราเข้าไปในห้องได้ตัวปิดกับตัวเปิดมันอยู่ด้วยกันนะเช่นเดียวกับสวิตไฟนะสวิต ท, ที่เปิดไฟให้แสงสว่างกับสวิต ท, ที่ปิดจนเลยแต่ความมืดก็คือสวิตเดียวกันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ว่าสวิต ท, ที่ปิดไฟอันหนึง่งสวิต ท, ที่เปิดไฟอันหนึ่งไม่ใช่อยากจะได้ได้รับแสงสว่างเกิดแสงสว่างก็ต้อง ไฟที่เซอร์วิสที่มันปิดให้เกิดความมืดนั่นแหละเั้นทุกข์กับความไม่ทุกข์มันยังอยู่ด้วยกันถ้าเราหนีทุกข์แล้วมันจะพบ ก, กับความไม่ทุกข์ได้อย่างไรอันนี้เป็นหลักที่นักปฏิบัติต้องต้องจับให้ได้เราจะได้พร้อมที่จะเราจะได้ไม่รังเกียจมันอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้พูดเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากภายนอกนะเช่นความพัดพราบสูญเสียเพราะมีคนมาขโมยไปเพราะมีภัยพิบัติมาทำลายสิ่งที่เรารักคนที่เรารักนะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้เจ็บป่วยแก่ชราแม้กระทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะเช่นความเครียดความโกรธความเบือ่อความเซ็งนะ ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นในใจคนส่วนใหญ่นะก็จะพยายามไปผลักสมันแทนที่จะเพียงแค่รู้มันเฉยๆหลายคนบอกปฏิบัติทำแล้วไม่สงบเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นและพอความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเกิดทําอะไรกับมันก็ไปกดข่มมันไปผลักไสมัน ไปพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้ฟุง้งอันนี้คือเป็นการมองว่าไอ้ความทุกข์มันเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดเป็นสิ่งที่ต้องต่ อ, ต, อต้านเป็นอุปสรรคนะเราลืมไปแล้วว่านี่คือสิ่งที่ต้องรู้นะแค่รู้ก็พอมันเกิดขึ้นในใจก็รู้มันนะรู้แล้วเดี๋ยวก็จะผ่านไปได้ แต่ถ้าไปต่อสู้ไปไปมอง ว, ว่ามันคืออุปสรรคคือตัวปัญหาอันนั่นแหละที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะผ่านาการปฏิบัติไปได้และยิ่งทําก็ยิ่งทุกยิ่งทําก็ยิ่งเครียดจนเกิดความท้อที่ทําแล้วเครียดทําแล้วทุกข์นี้ก็เพราะว่าวางใจไม่เป็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไปมอง ว, ว่ามันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่ต้องขัดที่ต้องกําจัด ก็เลยพยายามไปกดข่มมันหรือไม่ก็พยายามหนีมันถ้าเราเปลี่ยนท่าทีซะใหม่นะมองมันเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะเกิดขึ้นมาก็รู้เฉยเฉยก็รู้มันทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ความทุกข์ใจเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องรู้มันรู้แล้วมันก็จะผ่านไปได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมาแล้วก็ไป เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมันแต่พอไปต่อสู้ไปขัดขวางไปกำจัดมันมันก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่เพราะว่ากำจัดเท่าไหร่ก็กำจัดไม่ได้บังคับเท่าไหร่ก็บังคับไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาของเรามันเป็นอนัตตาเราไม่ใช่เป็นเจ้านายที่จะสั่งมันได้ เช่นนี้ก็ากายกายเราสั่งไม่ให้ป่วยสั่งไม่ให้เจ็บสั่งให้ตื่นเช้ามันก็ไม่ยอมทำตามนะมันแล้วแต่เหตุปัจจัยเห็นถ้าเราเรมองลองปรับท่าทีสมัยว่าทุกนี่มันไม่ใช่เป็นอุปสรรคนะแต่มันเป็นแค่ทางผ่านเราต้องผ่านมันให้ได้ ไม่ใช่นี้มันต้องเจอแล้วก็ผ่านผ่านด้วยการกำหนัดรู้ในความทุกข์นี้มันมีมันมีอย่างที่บอกไว้แล้วมันมีกุญแจที่จะไขให้ผ่านไปสู่ความสุขได้มันมีรหัสที่เราต้องหาให้เจอเหมือนกับเป็นรหัสที่เราต้องถ้าเรารู้เราถึงจะ สามารถจะเปิดประตูผ่านไปได้มันเหมือนกับว่าเรากําลังหาคุมทรัพย์อยู่คุมทรัพย์นี้มีทรัพย์เยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันอยู่ในถ้าและถ้านี่มันก็มีก้อนหินก้อนใหญ่นะปิดเอาไว้เราจะมองว่าไอ้ก้อนหินก้อนใหญ่นั้นเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นไม่ให้เข้าถึงคุมทรัพย์ก็ได้ แล้วคนส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันต้องทำทลายประตูนี้ให้ได้ทลายหินก้อนนี้ให้ได้นะแต่ที่จริงมันมีรหัสนะอย่างในหนังในในนิยายเรื่องอา ล, ลีบาบาเนี่เขาเพียงแต่แค่เป่งรหัสนะประตูถ้ามันก็เปิดแล้วก็เจอขุมทรัพย์นะแต่ว่ารหัสเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ไ ง, ง่ายๆมันต้อง มันต้องต้องใช้ความเพียรพยายามแต่พอรู้รหัสแล้วนะมันก็ผ่านไปได้ง่ายๆวความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะมันมีรหัสที่จะทําให้เราผ่านความทุกข์ไปได้อันนั้นคือการมีปัญญานะเห็นมีปัญญาที่ช่วยทําให้รู้จักมันอย่างแท้จริงนะ เมื่อเรามีปัญญารู้จักมันอย่างแจ่มชัดนะในสุขก็จะผ่านนะไปถึงความสุขความแก่ความเจ็บความป่วยยังมีอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วนะความพัดผ้าสูญเสียก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพราะเป็นธรรมดาโลกนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราได้เห็นด้วยปัญญาว่าอ๋มันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ พเพราะมีปัญญาสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ที่ไม่สามารถจะคาดหวังให้มันเป็นสุขหรือเอาความสุขของเราไปผูกติดกับมันได้เป็นเพราะเราเอาใจไปผูกติดกับมันเราถึงไม่พบ ก, กับความอิสระแต่เพื่อเมื่เอาใจไปผูกติดกับมันใจเป็นอิสระอะไรเกิดขึ้นกับมันเราก็ไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นกับกายก็ไม่ทุกข์ อะไรเกิดขึ้นกับใจก็ไม่ถุกอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เรารับก็ไม่ถุกข์เพราะว่าเรารู้วิธีที่จะผ่านมันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้หันมาเผชิญหน้ากับกับความทุกข์หรือว่าใช้มันให้เป็นเมื่อมันเกิดขึ้นก็ไม่เสียใจคร่ำครวญแต่ว่าใคร่ควรจนกระทั่งพบ กุญนะแจนะที่จะขายให้เราไปสู่ความสุขได้มันอยู่ในนั้นแหละมันอยู่ในความทุกข์นั่นแหละนะหลวงพ่อกําเขียนนบอกว่าในทุกมีความไม่ทุกข์อยู่เราต้องหาให้เจอนะแล้วเมื่อเจอแล้วก็จะได้ประโยชน์จากมันเป็นอย่างยิ่งเอ่ะละชานี้ก็พูดกันเท่านี้อาา๋อกราบพระ